มันจะต้องฝึกเจริญสัมมาวาจาโดยเฉพาะสัจจาวาจาให้แน่นอนเนี่ยให้มั่นคงโครจรไปในสัจจวาจาจนได้ตรัสรู้อริยสัจประกาศธรรมจักรที่เป็นสุดยอดของสัจจวาจาจะต้องฝึกรักษาสัจจวาจาเอาไว้ให้ดีขี้ต่อไปอีกว่าพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นจำเราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มโพธิญาณ ครั้งนั้นเราเลือกเฟ้นก็เห็นอธิฐานบารมีเป็นอันดับที่แปดที่พระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆทรงท่องเสพกันมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นท่านจงสมาทานอธิฐานท่านจงสมาทานอธิฐานบารมีอันดับแปดนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนต้องเป็นนักอธิฐานอธิฐานเนี่ยก็คืออัตตะสัมมาปณิทิตั้งไว้จะต้องเจริญกุศลขยันตั้ง ตั้งในการเจริญกุศลเนี่ยมากเหมือนกันเมื่อท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานคือการตั้งใจเจริญกุศลเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจในการเจริญกุศลไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะตั้งไว้เรื่อยๆยินดีที่จะเจริญกุศลใหม่ๆและมากๆเนี่ยนะอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านจากบรรลุพระโพธิญาณได้พระโพธิสัตว์เจริญกุศลอย่างเดียวใช่ไหมข้างเดือนข้างดาวอยู่นั่นแหละไม่ ท่านเจริญกุศลทุกอย่างแล้วถามว่าที่จะเจริญได้ทุกอย่างเจริญได้บ่อยๆเจริญได้มากเจริญได้เยอะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการอธิษฐานขึ้นเกิดจากการอธิษฐานเกิดจากการสมาทานเกิดจากการตั้งใจที่จะเจริญกุศลถ้าปฏิบัติตามนั้นก็จะบรรลุพระโพธิญาณได้ถามว่าจิตใจที่ตั้งในการเจริญกุศลนี่เอาแค่ไหน อธิษฐานตัวนี้เนี่ยบางทีแปลว่าปรารถนาในการเจริญกุศลเนี่ยนะถ้ากล่าวตามอัตถกาถาจริยาปิฎกที่เราเรียนผ่านมาก็บอกว่าอธิษฐานคือการตั้งความปรารถนาในการเจริญกุศลท่านจะต้องตั้งความปรารถนาในการเจริญกุศลแล้วจะต้องมีความตั้งใจมั่นเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมด้วยลมแรงกล้าย่อมตั้งอยู่ในฐานะของตนนั่นเองฉันใดแปลว่า ภูเขาหินไม่หวั่นไหวในลมทั้งสี่ทิศถึงตัวท่านก็จงไม่หวั่นไหวในอธิฐานบารมีทุกเมื่อฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งอธิฐานบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นจำเราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ท่านคิดได้เยอะนะท่านคิดได้ยังไงไม่ทราบเนี่ยนะนั่งคิดไปเรื่อยที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีกําลังแห่งอภินญาหสมาบัติ8คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดได้อันเดียวทานนี่ก็ดีใจแล้วรีบไปทําเลยนะแต่ท่านนี้ถ้าท่านนั่งคิดต่อไปคิดทบทวนด้วยนะแล้วไม่ใช่คิดแบบธรรมดาคิดแบบเดี๋ยวตอนจบบอกคิดจนแผ่นดินไหวก็แล้วกันนะของเราอาจคิดหัวจนรั่วหัวร้อนเผาหมดเลยนะแต่ไม่ในคิดแล้วมีปรีเตียนเขากำลังแห่งอภินญาสมาบัติรองรับนะ ถ้าเป็นคนธรรมราทั่วๆไปกําลังใจอ่อนแอเนี่ยยากกว่าอนกันบอกว่าแค่คิดตามท่านก็ไม่กล้าแล้วเหมือนนอย่ว่าคิดเองเลยนี่ก็คิดต่อไปว่าพุทธธรรมธรรมะที่หลอหล้อมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมิใช่จากมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นจําเราจากเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอ บ, บรมบ่มพระโพธิญาณครั้นนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็ตามเห็นเห็นอะไร เห็นเมตตาบารมีเป็นอันดับท like ี่9ซ hmm um> ึ่งพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์เหล่านั้นแต่ก่อนๆซ่องเสพกันมาเป็นประจำเมตตาคือความคิดจะต้องน้อมนำทุกน้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่เมตตาคือคนที่ไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะลักไม่คิดจะประพฤติผิดในการมน้อมนําทั้งวัตถุทานอภัยทานนําประโยชน์และความสุขไปให้แต่ผู้อื่นอยู่เสมอ ท่านจะต้องเดินบนเส้นทางนำแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แกสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นเห็นเมตตาเป็นลำดับที่เก้าที่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายทุกพระองค์ก่อนนซ่องเสพปฏิบัติกันมาอย่างนี้ทุกองค์สั่งตัวเองเลยบอกว่าท่านจองสมาฐานเมตตาบารมีเป็นอันดับเก้านี้เอาไว้ให้มั่นก่อน จงเป็นผู้ไม่มีความเสมอด้วยเมตตาหมายก็ว่าเมตตามีแต่ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในเมตตาถ้าว่าท่านต้องการบรรลุพระโพธิญาณถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจงสมาทานเมตตาอันดับที่เก้าเอาไว้เหมือนอะไรธรรมดา น, น้ามย่อมแผ่ความเย็นไปเสมอกันหมด นั้นใครอาบน้ําั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วน้ำก็จะให้ความเย็นเหมือนกันน้ําจะชําระล้างมนทินคือทุรีไปได้ฉันใดท่านจงแผ่เมตตาจเจริญเมตตาไปอย่างสม่ําเสมอในคน ท, ทั้งที่เป็นคนที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแปลว่าจเจริญเมตตาให้ทั้งมิตรและศัตรูฉันนั้นเหมือนกันท่านถึงฝั่งแห่งเมตตาบารมีแล้ว จากบรรลุพระสัมโพธิญาณได้คิดต่อไปอีกว่าพุทธธรรมเหล่านั้นไม่ใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นจําเราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นอุเบกขาบารมีเป็นอันดับที่10อุเบกขาบารมีเนี่ยนะก็คืออะไรความวางเฉยเราพูดอีกในหนึ่งก็รำไม่ติดใจ น, น, นะนะที่เรียกว่าทำบุญกุศลแล้วก็ต้องไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ติดใจในคุณความดีที่ตัวเองทํามาแล้วก็ไม่ภวะผวองไม่ไป่เรียกว่าพูดแบบชาวบ้านเราเรว่าไม่ยึดติดในอะไรเลยนะเซิงพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์กรก่อนซ่องเสพกันมาเป็นประจําท่านจงสมาทานอุเบขาบารมีอันดับที่สิบนี้เอาไว้ให้มั่นก่อนท่านจงเป็นผู้มีความมั่นคงเหมือนกับตาช่าง ท่านจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เนี่ยนะมั่นคงเหมือนอะไรธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงไปไม่ว่าจะสะอาดไม่สะอาดแม้ทั้งสองอย่างแผ่นดินนี้ก็ไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดีในของที่สะอาดไม่ยินร้ายในของที่ไม่สะอาดฉันใดท่านจะต้องเจริญอุเบกขาฉันนั้นเพราะฉะนั้นถึงตัวท่านก็จะต้องเป็นเหมือนกับตาช่างในสุขและทุกข์ ไอ้ตัวนี้แปลว่าเสมอกันนะท่านจะต้องทำตัวเหมือนกับตาช่างนะไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้ยกตัวอย่างโลกธรรมมาสุขทุกข์ก็แปลว่าทั้งลาบทั้งเสื่อมลาบท่านจะต้องเสมอกันทั้งมียศและเสื่อมยศจะต้องเสมอกันนินทาและสรรเสริญท่านจะต้องทำใจให้เหมือนกับตาช่างว่ามันเสมอกันถ้าท่านทำได้อย่างนี้ทุกเมื่อถึงฝังอุเบกขาบารมีแล้วจักบรรลุ พ, พระสัมพโพธิญาณได้ ธรรมะเครื่องช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณในโลกมีเพียงเท่านี้เท่านั้นเพราะท่านใคร่ครในหมื่นโล ก, กธาตุเนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาธรรมดาพิจารณาในระดับหมื่นโล ก, กธาตุว่าคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้ามีเท่านี้เท่านั้นสูงไปจากนั้นก็ไม่มีท่านจงตั้งอยู่ในธรรมะเหล่านั้นอย่างมั่นคงเมื่อเรากําลังพิจารณาธรรมะเหล่านี้โดยลักษณะลักษณะของบารมีแต่ละอย่าง กิจของบารมีแต่ละอย่างสภาวะของบารมีแต่ละอย่างแผ่นพสุธาในหมื่นโลกธาตุก็วันไหวเพราะเดชแห่งธรรมเดชแห่งบารมีธรรมเดชแห่งการอธิษฐานเดชแห่งการสมาทานเดชแห่งสติปัญญาที่เกิดจากการไข้ครวนตั้งมั่นอธิษฐานในการบำเพ็ญบารมีแผ่นดินก็แผ่นดินยังสะดุ้งเลยว่างั้นนะแผ่นดินก็ไหวหวันไห ว, ว, ไวส่งเสียงร้องเหมือนยนเนี่ยหีบอ้อยบีบอ้อยเหมือนเครื่องยนต์บีบอ้อยอะนะ แผ่นดินไหวเหมือนลูกหม้อในยนต์คันน้ํามันงาเช่นั้นลูก ล, อล้อล่ะใช่แผ่นดินวันไหวเหมือนลูกล้อในยนต์คั้นน้ํามันงาเช่นั้นเนี่ยนะเหมือนลูกกลิ้งนะลูกล้อก็ลูกกล้งนี่มันกล้งไปกล้งมาเป็นดินวันไหวฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็สั่นเ ง, งินงกอยู่ณนะที่นั้นพากันสลบสไลด์อยู่เหนือพื้นดินคือตอนนั้นกําลังจะถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าฉันพอดีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้น หม้อเป็นอันมากหลายร้อยหลายพันก็กระทบกันและกันแหลกเป็นผงณที่นั้นห ม, ม้ อ, อยังแตกเลยนะมหาชนก็หวาดสะดุ้งกลัวกลัวละกรกลัวซะจนลนลานกลัวอย่างยิ่งพากันประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยเกิด อ, อะไรขึ้นนิมนพระพุทธเจ้ามาฉันทําไมแผ่นดินมันวันไหวหม้อแตกกระจายขนาดนี้นะก็เลยถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุ ตอนนี้มันมีเหตุดีเรียกว่าลางดีลางร้ายจากมีแก่โลกหรือโลกถูกเหตุนั้นรบกวนทั้งโลกบัดนี้เนี่ยถูกรบกวนเหลือเกินขอพระองค์จงบรรเทาความหวาดกลัวนั้นด้วยเถิดอาศัยพุทธานุภาพช่วยระ ง, งับเหตุร้ายเหล่านี้เถอะว่าไงครั้งนั้นพระ ม, มหามุนีทีปังกรทรงยังมหาชนเหล่านั้นให้เข้าใจเรียกว่าอธิบายทําความเข้าใจ และพระองค์ก็ตรัสว่าพวกท่านจงวางใจอย่า ก, กลัวในการที่แผ่นดินไหวในครั้งนี้เลยเนี่ยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจไม่ต้องลำบากใจนะวันนี้เราได้พยากรท่านผู้ใดคือฤาษีใดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าฤาษีผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมะก่อนๆข้อปฏิบัติก่อนๆที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงซ่องเสพมาแล้ว เมื่อท่านผู้นั้นคือพระสุเมธฤศีผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมะคือพุทธภูมิข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่เหลือเลยท่านพิจารณาอย่างละเอียดละ อ, อ่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นอะ่ะเหตุที่พิจารณาพุทธภูมิข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะแผ่นดินนี้ในหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกจึงวันไหวไม่ใช่วันไหวแต่แผ่นดินโลกเรานะหมื่นโลกธาตุก็วันไหวเทวดายัางหวันไหว เพราะฝังพระพุทธดำรัจใจของมหาชนก็ดับร้อนจิตใจก็เยือกเย็นสงบระ ง, งับทันทีหายฟุ้งซ่านเลยนะมนุษย์เหล่านั้นทุกคนก็เข้ามาหาเราพากันกราบไหวเราอีกครั้งนั้นเรายึดถือพระพุทธคุณทําใจเอาไว้ให้มัน่นนะท่านก็เจริญพุทธคุณเลยนะสมเม็บัณฑิตนี่ก็เจริญพุทธคุณน้อมนมัสการพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสนะ พวกเทวดาถือดอกไม้ที่พวกมนุษย์ถือดอกไม้มนุษย์ทั้งสองก็เอาดอกไม้ทั้งหลายโปรยปลา ย, รายเราผู้กําลังลุกขึ้นจากอาสนะนะก็ที่จริงท่านยังนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาดอกไม้มาโปรยบูชาเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งสองนั้นต่างก็พากันแซ่สองสวัสดีว่าความปรารถนาของท่านนี้ยิ่งใหญ่ขอท่านจงได้ความปรารถนา ให้สมความปรารถนาเถอะแปล ว, ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเถอะที่จริงโดยทั่วๆไปเนี่ยบออุยผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์ให้พรใช่ไแต่นี่ไม่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปช่วยกันให้พรพระโพธิสัตว์ เรียกว่าอะไรนะโอ้ต้นไม้ต้นนี้จ ะ, ะจะเป็นต้นโพใหญ่นะจะได้ตรัสรู้ทุกคนก็เลยเอาน้ำไปช่วยกันรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแล้วก็เยียวยาให้ต้นไม้เจริญเติบโตฉันใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปบูชาด้วยอามิสบูชาและให้พรทางวาจาว่าขอท่านจงได้สมความปรารถนาเถิดส ป, ปีติโยวิวัตชันโตว่างั้นขอเสน่ห จ, จังไรจงปราศจากไป ความโศกจงหายไปโรคจงพินาศไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่ามีแก่ท่านสับ พ, พีดโยวิวัชันตตความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปเป็นต้นนนะสับ พ, พโรคโคเววนะสันตโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่าน ขอท่านจงได้สัมผัสพระโพธิญาณโดยเร็วเถิดน่นะมันรูดเร็วๆนะอย่าได้ชักช้าเลยอย่างนั้นให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเร็วๆจะได้ช่วยเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากวัตรทุกข์ต้นไม้ดอกย่อมออกดอกบานเมื่อถึงฤดูการฉันใดข้าแต่พระมหาวีระคือฤาษีเนี่ยนะขอท่านจงบานด้วยพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันเถิดหรือว่าข้าแต่ท่านผู้กล้า ขอท่านจงบานด้วยพุทธญาณเนี่ยนะพุทธญาณมี14อย่างนะขอท่านจงบานด้วยอาสาธรณายานหกจงบานด้วยญาณในปฏิสัมพิทาสี่จงบานด้วยญาณในอริยสัจสี่ฉะนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงบันเพนบารมีสิบชั้นใดข้าแต่ท่านพระมหาข้าแต่มหาวีระผู้ก ล, กล้า ขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิบฉันนั้นเช่นกับพระพุทธเจ้าทุกองค์เหล่านั้นเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสสรุ้ที่โพธิมันทสถานฉันใดข้าแต่มหาวีระขอท่านจงตรัสรู้ที่โพธิมันทสถานของพระชินเจ้าฉันนั้นเถิดเแปลว่าทุกอย่างให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆให้หมดเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศ พ, าพระธรรมจักรฉันใดข้าแต่มหาวีระ ขอท่านจงประกาศถ้าธรรมจักฉะนั้นเถิดดวงจันทร์ในปราตรีเพนเต็มดวงรุ่งโรจน์ฉันใดท่านมีมโนรถคือความปรารถนาเต็มแล้วจงรุ่งโรจน์ในหมื่นโลกธาตุฉันั้นเถิดเนี่ยนะดวงอาทิตย์พ้นจากราหูแล้วย่อมรุ่ ง, รงโรจน์ด้วยแสงฉันใดท่านพ้นจากโลกแล้วก็จงรุ่งโรจน์ด้วยสิริฉันนั้นเหมือนกันเถิด แม่น้ําทุกสายย่อมชุมนมไหลไปสู่มหาสมุทรชันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงชุมนมกันยังสํานักของท่านฉันนั้นเถิดครั้งนั้นเราเนี่ยนะอันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นสะดุดีสรรเสริญแล้วก็สมาทานบารมีรำสิบประการเมื่อจะยังธรรมะคือบารมีเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่ นะมาเขาว่าพอทุกคนให้พรเสร็จท่านก็สมาทานบารมีเข้าไปกลับไปสู่ป่าฝ่ายฝ่าชาวอุบาสกชาวรัมมนานครเหล่านั้นเนี่ยนะก็ให้พระโลกกนา์คือพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรพร้อมทั้งพระสงฆ์เสวยแล้วทุกคนก็พากันถึงพระทีปังกรศาสดาพระองค์นั้นเป็นสารณะเนี่ยนะผู้ทังสารนังข้าฉามีทุกคนก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระตถาคต ยังคงทรงยังบางคนให้ตั้งอยู่ในสารณะคือพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมช่วยให้บางคนตั้งอยู่ในสารณะช่วยให้บางคนตั้งอยู่ในศีลช่วยให้บางคนตั้งอยู่ในศีลห้าบางคนก็ศีลสิบพระองค์ประทานสามัญญผลอันสูงสุดคือโสดาปติพลสกาธาคามิพนอนาคามิพลอรหัตผลอันสูงสุดแก่คนบางคนประทานปฏิสัมพิธา ในในธรรมะที่ไม่มีธรรมะอื่นเสมอแก่บางคนพระนราสพระประธานสมาบัติแปอันประเสริฐแก่บางคนประธานวิชาสามอภิญญาหแก่บางคนก็คือพระองค์เสด็จไปในรัมมานะครไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อสารณะเพื่อศีลสามัญญผลปฏิสัมพิทาสมาบัติวิชาและอภิญญาแก่ชาวรัมมานะครนั่นเอง พระมหามุนีทีปังกรทรงสั่งสอนหมู่ชนโดยนัยนั้นด้วยพระโอวาทนั้นศาสนาของพระโล ก, ก น, นาจึงได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางศาสนาพระพุทธเจ้าทีปังกรนี้รุ่งเรืองมากพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าทีปังกรผู้มีพระหานุใหญ่คือพระพุทธเจ้าคางใหญ่นะจึงก็สมส่วนนะนะแต่ว่าแล้วแต่หยิบมาชมส่วนไหน พระองค์มีพระวรกายที่งดงามทรงยังมหาชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเคสงสารทรงเปลื้องมหาชนเสียจากทุกขติเนี่ยนะช่วยเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกให้พ้นจากวะัะพระมหามุนีทีปังกรทรงเห็นชนผู้ควรจะตรัสรู้ได้ไกลถึงแสนโยตในทนใดก็จะเสด็จเข้าไปหาทรงยางเขาให้ตรัสรู้ไกลแสนโยตก็จะไปหาเนี่ยนะ ขอให้สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แก่เขาพูดถึงในสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ร0อยโกดร้อยโกดพระพุทธเจ้าของเราเท่าไหร่18โกดใช่ไหมครั้งแรก18โกดของพระพุทธเจ้าทีปังกรนี่ร้อยโกดในอภิสมัยครั้งที่สองพระโล ก, กนา ท, ทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้เกโกด ในสมัยใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในภพเทวดาภพเทวดาก็คือแสดงอะไรอภิธรรมโปรดพุทธมารดานะโปรดเทวดา 90,000 โกดสมัยนั้นอภิสมัยครั้งที่3 9 0 0 0 0าโกดสาวกสนิบาตของอนาการประชุมสาวกโดยมิได้นัดหมายของพระพุทธเจ้าทีปังกรมีสครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมสาวกแสนโกดเมื่อพระชินเจ้าประทับสงัดหน้าภูเขานารทกูฏอีก ภิกษุร้อยโกธเป็นพระขีนาสกปราศจากมนทินก็ประชุมกันสมัยใดพระมหาวีระมหามุนีทรงประภวรณาออกพรรษาแล้วพร้อมด้วยภิกษุ9ก้า0มื่นโกดณนภะูเขาสุทัสนาทีนี้อันนั้นคือเกี่ยวเรื่องราวกับพระพุทธเจ้าพระนามวัทีปังกรพระพุทธเจ้าเล่าถึงพระองค์นะพระพุทธเจ้าของพระองค์นี่นะพระองค์เล่าว่าในสมัยนั้นเราเป็นชดินมีตบะสูง จบฝั่งอภิน ญ, ญาห้าจาริกไปในอากาศช่วงนั้นก็แวะไปพบพอดีว่างั้นพูดถึงธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีปังกรในการแสดงธรรมเนี่ยนะบอกว่าธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ทุกด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรดด้วยการเจริญเนี่ยนะได้มีแกเทวดาและมนุษ นึ่งสองไม่มีการตรัสรู้โดยจำนวนหนึ่งคนสองคนเขาไม่นับเขานับทีละ1ม0 0 0 0องหมืนนสีันอย่างเงี้ยนะศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรอันบริสุทธิ์ดีแล้วแผ่ไปกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้สำเร็จแล้วเจริญแล้วในครั้งนั้นภิกษุ4ี่แสนรูปมีอภิญญาหมีริษม์มากแวดล้อมพระทศพลทีปังกรผู้รู้แจ้งโลก ทุกเมื่อปกติอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ประมาณ500รอรูปเนี่นะปัญจามาเตหีพิกุสเตหีโดยมากพระองค์ก็500รอรูปแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรก็ประมาณสี่ 0,000 รูปสมัยนั้นภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเป็นพระสกาทาคามี โ, โสดาบันสกาทาคามีอนาคามีละพบมนุษย์ไปภิกษุเหล่านั้นย่อมถูกขรหาโอ้ยทาอะไรอยู่นาะไม่เป็นพระอรหันต์ทราบผีแบบนั้นก็ถูกครับก็ขรหานะ กรหาก็แปลว่าอะไรตีเตียนนะ่ะนะตาพศตาพศคือคําสอนคือพระศาสนาอันพระอาหารหันต์ผู้คงที่ผู้เป็นพระขีนาสบไร้มนตินทําให้บานเต็มที่แล้วย่อมงดงามทุกเมื่อคือพระพุทธศาสนาพระอาหารหันต์เหล่านั้นก็ช่วยการประกาศเปิดเผยเนี่ยนะพระทีปังกรศาสดาทรงมีพระนครชื่อว่ารัมมาวดีนครเมืองของพระองค์นะ่ะนะ เมืองเกิดของพระองค์ชื่อว่ารัมมาวดีพระชนกเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสุเทวะเป็นพุทธบิดาพระชนนีพระนามว่าพระนางสุเมธาเป็นพระพุทธมารดาพระชินเจ้าทีปังกรทรงครอบครองอาคารสถานคือบ้านเรือนอยู่หมื่นปีอนะสมัยนั้นเนี่ยพระองค์มีชีวิตประมาณแสนปีเนี่ยนะปกครองเรือนอยู่หมื่นปีมีปราสาทสามหลังชื่อว่าหังสากูนจาและมยุราปราสาทรังแรกชื่อว่า ถังสาก็คือหงนะประสัทดุจหงเหมือนกันสองโกนจาก็เหมือนช้างโกนจนานะโกนจามยุราป็นนกยุงประสาตวนกยุงเรียกพระราชวังนกยุงพระองค์มีสนมนารีสามแสนล้วนประดับกายสวยงามมเหสีมม เ, หสเอกชื่อว่าปทุมาราโอรสของพระองค์นามว่าอุสภขันธกุมารกระว่าผู้มีกองที่งดงาม พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนิมิตสประการแล้วก็เสด็จพนวดด้วยพระยานคือช้างต้นช้างต้นบำเพ็ญเพียรอยู่10เดือนเต็มก็ตรัสรู้เป็นพระชินเจ้านะบำเพ็ญทุกร ก, กิริยาสิเดือนครั้นทรงประพฤติประธานกิริยาได้ตรัสรู้พระสัมโพธิยานเป็นพระมหามุนีทีปังกรสมพระไทยแล้วก็คื อ, คอปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้อันพระพรหมทรงอาง ร, งราธนาฮะพรหมมาจะโลกาธิปฏิสามปฏิก็ไปอาราธนาพระมหาวีระชินะพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักแล้วประทับอยู่ณนันทารามประทับนั่งที่ควงไม้ศึกทรงกระทําการทรมานกระทํา ก, ก, การฝึกเดรรทีแล้วฮะก็ฝึกเดรรทีผู้มีลับที่อื่นให้นับถือพระพุทธศาสนา พระทีปังกรศาสดาทรงมีพระอักราสาวกชื่อว่าสุมังคละเป็นเบื้องขวาพระติสสะเป็นเบื้องซ้ายมีพุทธอุปถาชื่อว่าพระสาคตะอักระสาวิกาคือสาวกผู้หญิงก็คือนันทากับสุนันทาต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นเลียบ พระทีปังกรศาสดามมีอัครอุปถาชื่อว่าตปุษะและพลิกะคือคารวาสผู้ชายที่อุปถากันนะมีอัคราอุปถายิกาชืว่าสริมาและโสนาพระทีปังกรมหามุนีสูงประมาณแปดสศอกสง่างามเหมือนต้นไม้ประจําทวีปเหมือนต้นพระยาสารออกดอกบานเต็มต้นฉะนั้นพระองค์มีพระศมีแผ่ไปโดยปกติสิบโยต์นะพระองค์ของเราก็หนึ่งวาใช่ไหมนี่สิบโยต โดยรอบพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมาายุประมาณแสนปีแต่จริงๆเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ายุคในยุคสมัยอายุแสนปีจริงแต่พระองค์จะมีอายุ8ปด0 0ื่ปีหมายคึงว่าสี่ส่วนหะพระองค์จะมีชีวิตอยู่แค่4ีส่วนหของอายุจริงพระองค์ทรงพระชนอยู่ถึงเพียงนั้นพระองค์ทรงพระชนอยู่ถึงเพียงนั้นคือประมาณ 80,000 ปีนั้นเนี่ยนะจึงทรงอย่างพระสัตยธรรม คือโพธิปักจิยธรรมหรือปริยัติศาสตรธรรมให้รุ่งเรืองอยังมหาชนให้ข้ามโอกคสงสารชื่อว่าทรงยังชนหมู่มากนะหมู่เป็นอันมากให้ข้ามพ้นโอกคสงสารเนี่ยช่วยสรรพสัตว์ให้บรรลุมากมายนะตอนนั้นเราทําอะไรกันอยู่เนาะทั้งเสียสงไข่ที่แล้วเขาบรรลุกันเยอะแยะไปหมดเลยนะพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกรุ่งโรจน์แล้วครับรุ่งเรืองด้วยอะไรด้วยพระรูปประกาศและรุ่งเรืองด้วยปัญญา ร่างกายและปัญญาที่รุ่งเรืองผ่านไปก็เสด็จดับขันทัปรินิพานเหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับไปพระวรรธิพระยศพระจักรรัตนะที่พระยุคลบาททั้งนั้นก็อันตรทานสิ้นไปสังขารทุกอย่างว่างเปล่าแน่แท้ว่างจากความเที่ยงจรังยั่งยืนแท้ว่างจากความสุขที่แท้สังขารทั้งหลายไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอะไร ขนาดพระชินะศาสดาทีปังกรยังดับขันปรินิพานณพระวิหารนันทารามพระพุทธเจ้ายัางปรินิพานพระอัครส า, าวกยังปรินิพานจะเอาอะไรกับสังขารเล่ า, างั้นชินะสถูปคือเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นณนะนันทารามนั้นสูงประมาณ36โยชน์พระสถูปนั้นบรรจุบาจีวนบริหารเครื่องบริโภคของพระสาสดา ตั้งอยู่นโะคนโพพึกครั้งนั้นสูงสามโยศต้นโพของพระพุทธเจ้านี่สูงสามโยศเนี่ยนะมันก็พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ผ่านไปนะคือพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรพร้อมทั้งพระศาสนาของพระองค์ก็ผ่านไป ส่วนรายละเอียดอธิบายตามอัตถกถาทั้งหลายก็เป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระ น, นามวัถีปังกรตั้งแต่ท่านสุมเมศบัณฑิตเป็นต้นมาอีกครั้งโดยพิสดารวันนี้ก็อ่านบาลีให้ฟังโดยย่นย่อพอสังเขปนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้